แล้วนะว่าโรคเนี่ยติดต่อกันได้แต่ว่าที่จริงมันมีอย่างอื่นที่ยังติดต่อกันได้เหมือนกันนะอย่างเช่นเมือเร็วๆนี้พบว่าความอ้วนความอ้วนเนี่ยมันติดต่อกันได้คนที่อยู่คนที่มีพี่มีน้องหรือพ่อแม่ที่อ้วนเนี่ยมีโอกาสจะอ้วนสามสิบห้าถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะแต่ถ้า มีเพื่อนใกล้ชิดเนี่ยอ้วนเนี่ยโอกาสที่ตัวเองจะอ้วนนี่ก็เพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยอันนี้เข า, าพึ่งค้นพบนะน่าสนใจมากอาจจะเป็นเพราะว่าพออยู่ใกล้เชื่อคนอ้ว น, นก็มีการชวนกันไปกินนะคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องพ่อแม่ที่อ้วนก็เรียกว่าซึมซับ ร, รับเอาพฤติกรรมการบริโภค จากคนเหล่านั้นแต่ที่ม น, น่าสนใจว่าอิทธิพลของคนในครอบครัวก็ยังไม่มากเท่ากับอิทธิพลของคนใกล้ชิดนะคือเพื่อนสนิทและเพราะว่าแม้เพื่อนสนิทเนี่ยจะอยู่ห่างกันเป็นคนละจังหวัดเป็นโลลัยกิโลเนี่ยก็ก็ยังมีผลกระทบนะอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของอีกคนหนึ่งอันนี้ก็เข้าเชื่อเป็นเพราะว่า าการพูดคุยกันก็ดีหรือว่าการมีทัศนคติที่ส่งผลต่อกันเช่นมีทัศนคติต่อการบริโภคต่อการกินหรือว่าการมองว่าแค่นี้ยังไม่อ้วนนะยังกินได้อีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เลยพูดได้ว่าเนี่ยความอ้วนหรือพฤติกรรมการบริโภคทําให้อ้วนนี่มันก็ต่อกันได้นะถ่ายเทกันได้ถ้าคนที่ในทางตรงข้ามคนที่อยู่ ไกลหรือว่าไม่ค่อยได้ใกล้ชิดกับคนที่อ้วนเนี่ยโอกาสที่จะอ้วนนี่ก็มีน้อยนะแต่ไม่ใช่าจะไม่มี เ, เลยไม่ใช่เฉพาะพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะไออารมณ์ที่ไม่ดีอ่ะเช่นความเหงาเนี่ยก็เพราะว่าความเหงานี่มันก็ถ่ายเทกันได้นะติดต่อกันได้อย่างน้อยเนี่ยอีกสองช่วงคน เช่นถ้ามีท่านนายกอเนี่เป็นคนเหงามากเนี่ยนายอซึ่งเป็นเพื่อนนายกอมีโอกาสจะเหงา 50% ส่วนคอซึ่งเป็นเพื่อนขอก็มีโอกาสที่จะเหงาได้ 25% ความเหงาของกอมันถายมาจากขอจากคอมาที่คอแต่ว่าค่อยๆลดลงนันน่าสงสัยว่าว่ามันเป็นไปได้ไงนะ ก็เชื่อว่ามันเป็นเพราะเหตุ น, นี่แหละคือคนที่คนที่เขาเหงาเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขาจะมีปฏิสัมพันธ์คนอื่นเนี่ยนะไม่ค่อยดีในขอไปเจอในกอซึ่งกําลังเหงาในขอก็ได้รับอ่าการปฏิบัติที่ไม่ค่อยดีนะจากในกอนะแล้วขอนี่ก็เลยพออารมณ์ไม่ดีไปด้วยพออารมณ์ไม่ดีเนี่ยไปแสดงออกคนอื่นคนอื่นก็ไม่อยากเข้าใกล้ อยากจะอยู่ห่างๆก็เลยเหงาไง น, นะเพราะว่าคนไม่ค่อยอยากใกล้ชิดเท่าไหร่อันนี้คือเหตุะว่าทำไมขอเนี่ยถึงเหงาเพราะว่าได้รับอารมณ์มาคุณจากกอสวนคอนี่พอมาอยู่ใกล้ชิดมาคบกับหรือว่ามาพูดคุยกับขอก็เจออารมณ์ไม่ดีของขอเข้าก็พอซึมซับรับเอาอารมณ์นั้นไปด้วยแล้วก็ พอไปไปฏิบัติกับคนอื่นคนหนึ่งก็ไม่ค่อยอยากเข้าใกล้ก็เลยขอก็เลยพลอยเหงาไปด้วยนะแต่ว่าจะน้อยลงนะอันนี้นแสดงว่าอารมณ์เนี่ยมันถ่ายเทหรือว่าติดต่อกันได้ที่จริงเราก็สังเกตได้นะนเวลาใครที่มีอารมณ์มาคุหรือว่าอารมณ์ไม่ค่อยดีเนี่ยเราก็พลอยจะรู้สึกเครียดไปด้วยและความเครียดนี้มันก็สามารถปรุงแต่งนะกลายเป็นอารมณ์เช่นความโกรธความ ความไม่พอใจได้ง่ายขึ้นหรือความหงุดหงิดเวลาเราเจอคนเศร้าเนี่ยเราก็พอรู้สึกเศร้าไปกับเขาด้วยนะเพราะว่าสีหน้าของเขาเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าจะโน้มน้าวให้เรารู้สึกเศร้าไปกับเขาอันนี้ก็มีเหตุผลอธิบายนะในทางประสาทวิทยา น, นแต่ว่าก็จะไม่อธิบายมากเพียงในบอกว่าเนี่ยอารมณ์เนี่ยมันก็ถ่ายเทกันได้ดัวคนเศร้า ก็พลอยรับความเศร้าก็พอรู้สึกเศร้าไปกับเขาอยู่กับคนที่หงุดหงิดโกรธเราก็พลอยจะมีอารมณ์ที่หงุดหงิด ต, ตามไปด้วยอาจจะเป็นเพราะว่ามีการปฏิบัติต่อการพูดกันทําให้เกิดความไม่พอใจกันหรือแม้จะไม่ได้พูดคุยกันเป็นแค่เห็นหน้าเห็นตาเห็นสีหน้าเห็นแววตานี่มันก็พอรู้สึกเครียดไปกับ คนที่เขามีอารมณ์หงุดหงิดมีอารมณ์โกโรธอยู่แล้วนะแต่ว่าของดีมันก็มีนะของดีๆก็มีเหมือนกันพฤติกรรมที่ดีก็มีเหมือนกันอย่างเช่นเขาบอกว่าเนี่ยคนที่อ่าคนที่เลิกเหล้าได้เนี่ยไอ้คนแวดล้อมที่อยู่ใกล้เนี่ยก็พลอยจะเลิกได้เหมือนกันเช่นถ้าเกิดว่าคนนึงเลิกเหล้าได้เนี่ยพี่น้องนะ พ่อแม่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเลิกเหล้าได้เขาก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นือกันนะว่าประมาณสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นต์ถ้ายถึงเลิกบุหรี่มีโอกาสที่จะเลิกบุหรี่ได้สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นและคนที่เลิกบุหรี่ได้เนี่ยเพราะอิทธิพลของพี่น้องเนี่ยก็จะส่งผลให้คนในเครือข่ายเพื่อนฝูงของเขาเนี่ยพลอยเลิกบุหรี่ได้ง่ายขึ้นด้วยนะ งั้นความดีหรือพฤติกรรมที่ดีเนี่ยมันก็ถ่ายทอดหรือว่าติดต่อกันได้เหมือนกันนะรวมทั้งอารมณ์ที่ดี ด, ด้วยนะเวลาเราเจออารมณ์เจอคนที่อารมณ์ดีคนที่มีความสงบเย็นแม้เราจะว่าวุ่นมาจากไหนเจอเขาเราก็สงบได้เหมือนกันอย่างคนที่รุ่มร้อนในจิตใจเนี่ยนะหลายคนพอมาพบหลวงพ่อมคีเนเนี่ยนะจะรู้สึกเย็นเลยนะ นะเพราะว่าหลวงพ่อท่านเย็นอยู่แล้วมีเมตตาเหมือนกับว่าความเย็นความเมตตาท่านก็แผ่หรือว่าถ่ายทอดนะมาสู่คนที่อยู่รอบข้างได้แม้จะไม่ได้แกรเชิดอไรกับท่านมากนะอันนี้มันก็เป็นเครื่องนะเป็นเป็นสิ่งที่บอกเราว่าสิ่งวอบเนี่ยมีมีความสำคัญมีความสำคัญต่ออารมณ์แล้วก็พฤติกรรมของเรานะ นั่นถ้าเราอยากจะให้ถ้าใครบางคนอารมณ์ไม่ดีเนี่ยนะเราช่วยเขาได้นะด้วยการที่เรายิ้มแย้มแต่มใสกับเขามีเมตตากับเขาเนี่ยให้ความเมตตาหรือความสงบของเรามันก็จะพลอยแผ่ไปถึงเขาด้วยหรืออย่างที่เราเรามื่อวานนะลูกที่กำลังโกรธนะแต่ถ้าเจอแม่ที่ใจเย็นนะให้ความใจเย็นของแม่เนี่ยก็ทำให้ลูกเนี่ยพลอยได้สตินะ แล้วก็หายหายโกรธหายรุ่มร้อนไปได้เหมือนกันแต่อย่างนี้ก็ต้องต้องระวังนะเพราะว่าถ้าแม่เนี่ยนะไม่มีสติดีพอจะเจอรูปโกรธนะความโกรธของรูมก็ถ่ายไปที่แม่เหมือนกันนะอ่าอันนี้ต้องระวังซึ่งก็หมายความว่าถ้าเราเจอถ้าเราอยากจะรักษาใจเราเป็นปกติสงบเย็นเนี่ยก็ต้องมีสติด้วยเพราะว่าบางครั้งเราเจอคนที่เขาหงุดหงิดเจอเขาอารมณ์เสียเจอคนเหงาเจอคนซึมเศร้า ถ้าสติเราไม่มั่นคงนะไออารมณ์ของเขาเนี่ยอารมณ์ลงเข้ามัก็จะถ่ายเทมาที่เรานะแต่ถ้ามีสติเนี่ยนะมันก็เข้ามาไม่ได้นะในทางตรงข้ามไอความมีสติของเรานั่นแหละที่จะช่วยทําให้เขาเนี่ยปลอยมีสติหรือว่าพลอยสงบเย็นได้ด้วยเพราะอันนี้เนี่ยสติของเราเนี่ยมันไม่เพียงแต่ช่วยช่วยรักษาใจของเราเท่านั้นนะมันยังสามารถจะช่วยรักษาใจของคนที่ อยู่รอบข้างได้ด้วยเช่นเดียวความเมตตากรุณานะใครที่อารมณ์ร้อนนะโวยวายกับโวยวายมาแต่เราพูดดีๆกับเขาเขาจะพลอยเย็นได้ง่ายอันนี้ถ้าเรารู้จักเอาไว้เนี่ยนะมันก็ทำให้เราเนี่ยคอยระมัดระวังนะเวลาเจอคนที่อารมณ์ไม่ดีเจอคนเหงาเจอคนเศร้านะเจอคนที่กรังงุดงนะี้โกรธเราอย่าเปิดใจของเราเนี่ยให้มันให ให้ความให้อารมณ์แล้วนี่มันถ่ายเทไปได้ถ่ายเทมาเข้าเข้ามาสู่จิตใจของเรามีสติไว้ยิ้มแย้มนะใจเย็นและสิ่งที่เราทำนั่นแหละนะมันจะช่วยเขาได้เหมือนกันเราก็เตรียมรับพร อ, อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทาผลที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วยีบามวาสามิชาตโตลองสามเรโดโยชาพรานสาเพผูเรนตุสังกปา ขอความดำริทางพวงจงเต็มที่ดันโทปนารโสยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมานิโชติราโสยทธาเหมือนกามณีอันสว่างสวัยควรยินดีมีวาชันตุหวาหลจยรทางพวงจงบำารไปสาพระโคกวินาสตุโรกทางพวงของท่านจงหายมาเทภาวะวันตายรโย ตาายามีแก่ทที่อายุโกภาวผู้มีความสู่มีอายุยืนอาพิวัฒนาศีลสันนิจังวุฒาปัจจายนโนตารโอธรมาวันทานที่อายุวันโนสุขังพลังสีงประการคืออายุวันนาสุขัลามูคอนผู้มีปกติวายกรา ปกติอ่านนามต่อผู้ใหญ่เป็นนิ่งภาวาโตสาพมั ง, ล ง, าามงคลังพอสาผะมองคอนจงมีแก่ธรรมราคันตุสาพรเท ว, วตาพระราเทวดาทั้งปวงจงรักษาธรรมราพาภูธานุพาเวนา้วยอนุพาแห่งพระภูตเจ้าราพาธรรมานุพาเวนด้วยอนุพาแห่งพระธรรม าสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพะโสสาธาโสธิพาวันตุเตความสวัสดีทางายโจงมีแก่ท่านทูมื่อเถอ